จิตมีอำนาจเหนือกายถึงที่สุดของทุก์ก็คือความไม่ทุกนั่นเองแต่ว่าทุกกายยังมีอยู่คำว่าถึงที่สุดของทุก์หมายความว่าจิตอยู่เหนือสุขเหนือทุกเวลาแมงป่องต่อยมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นรับรู้ว่ามีความเจ็บปวดและก็ไม่ทุกเพราะความเจ็บปวดนั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่มีพลังจิตเข้มแข็งที่ปล่อยวางไม่สําคัญมั่นหมายในสิ่งใดไปโดนยาพิษยาเบื่อก็ไม่เป็นไรกินพริกเป็นกำกำก็ไม่เผ็ดเพราะจิตมีอํานาจเหนือกายมีพระน้อยองค์หนึ่งเที่ยวมาหาหลวงพ่ออยู่แถวๆเนี้ยกําหนดจิตไม่ให้สําคัญมั่นหมายในสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องอาหารคาวหวานเปเรี้ยวมันเค็มเผ็ดร้อนอะไรไม่สําคัญทั้งนั้น หนักๆเข้ากินพริกไม่เผ็ดกินอาหารก็ไม่รู้จักรสเขาบอกว่ามันไม่อร่อยผมก็เลยเลิก Thank you.